วินัยพระเอาอย่างนี้สังคมชาวบ้านจะเอาอย่างไรทีนี้ในฝ่ายของพระนั้นท่านว่าของท่านไวชัดแล้วตามหลักที่ว่ามาอย่างนี้และท่านยังมีคำแนะนำในเชิงปฏิบัติการกากับไว้ด้วยว่าเวลาจะตีความวินัยให้ถือหลักข้างเคร่งไว้ก่อนคือถ้ามีกรณีที่เป็นปัญหาซึ่งเป็นธรรมดาว่า เรื่องวินัยหรือเรื่องกฎเกณฑ์นในบัญญัติย่อมมีปัญหาได้ทั้งนั้นว่าเอจะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้กันแน่ท่านก็บอกว่าให้ถือข้างเรรงไว้ก่อนกฎทางฝ่ายวินัยซึ่งก็คือกฎหมายของพระท่านให้ถืออย่างนั้นสำหรับของพระนั้นเราจะเห็นลำดับเป็นสองตอนคือรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็มาวางเป็นบัญญัติของสังคม หรือเป็นกติกาสังคมเรียกว่าวินัยวินัยอยู่ในตอนที่สองคือเป็นกติกาของสังคมที่บัญญัติโดยอาศัยความรู้และให้เป็นไปตามความรู้นั้นอีกทีหนึ่งหมายความว่าตอนแรกเราพูดถึงความรู้ในเรื่องของชีวิตว่าอันนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นการทาลายชีวิตต่อจากนั้น เราก็มาบัญญัติกติกาของสังคมว่าถ้าภิกษุใดไปทำลายชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุบัญญัติที่ว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุนี้ไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติแต่เป็นกติกาสังคมที่บัญญัติซ้อนเข้ามาอีกทีแต่อิงอาศัยตัวหลักที่ถือว่าเป็นความจริงนั้นในเรื่องการทาลายชีวิตนี้ก็เป็นอันแยกได้ว่า ของพระท่านถือเอาความจริงว่าชีวิตกำเนิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่เป็นกาลารั้วรูปซึ่งตรงกับขณะที่สัตว์ถือกำเนิดด้วยปฏิสนธิจิตหรือปฐมมจิตหรือเป็นวิญญาณแรกตรงนี้ถือว่าเริ่มเป็นมนุษย์ขึ้นแล้วถ้าใครทําให้ชีวิตนี้แตกดับสูญสิ้นไปก็ถือว่าฆ่ามนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นนี่คือตัวความรู้ที่ท่านถือว่าเป็นความจริง แล้ท่านก็นมาบัญญัติเป็นกติกาคือข้อวินัยสำหรับพระภิกษุว่าภิกษุใดทำลายชีวิตมนุษย์อย่างนี้ก็เป็นนันว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุอันหนึ่งการฆ่าหรือทำลายชีวิตสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานและไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์เดรัจฉานชนิดใดก็ตามท่านใช้ส า, กา์กลางๆเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่าปานาติบา ท, ทั้งนั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าในแง่ของธรรมชาติในขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ชนิดไหนก็เป็นการทำลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นแต่เมื่อมองตามมาตรฐานแห่งภูมิธรรมภูมิปัญญาของมนุษย์ก็มองเห็นคุณค่าของชีวิตทั้งหลายแตกต่างกันซึ่งทำให้การฆ่าสัตว์ต่างชนิดกันหรือแม้แต่ต่างตัวในชนิดเดียวกันมีผลในด้านกรรมไม่เท่ากันคือเป็นบาปมากบาปน้อย ดังนั้นเมื่อนําหลักการนี้มาจัดวางเป็นวินัยหรือกติกาของสังคมจึงมีการบัญญัติโทษแตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ชัดในวินัยของพระภิกษุสงฆ์ถ้าภิกษุทําลายชีวิตมนุษย์ก็มีความผิดสถานหนักที่สุดคือขาดจากความเป็นพระภิกษุเรียกว่าเป็นปาราชิกแต่ถ้าภิกษุทําลายชีวิตสัตว์ดิรัชานจะมีความผิดเพียงสถานเบาระดับที่เรียกว่าปาจิตติ พึงสังเกตว่าในสีน5าไม่มีการแบ่งแยกท่านจัดเป็นปนาณปฏิบาตอย่างเดียวหมดแต่ผู้ศึกษาก็รู้ได้ว่าฆ่าสัตว์ชนิดไหนตัวใดมีโทษมากหรือโทษน้อยแก่นวินิจฉัยว่าฆ่าสัตว์ชนิดไหนต้นใดมีโทษมากหรือน้อยดูได้จากคำอธิบายช่วงสุดท้ายของปัตกถาธรรมนี้ ในกรณีของการทำแท้งนี้ถ้าเราตกลงในแง่ความจริงว่าเป็นอย่างนี้เราก็เอาความจริงนั้นเป็นหลักหรือเป็นฐานในการวางบัญญัติของเราต่อไปความจริงนี้ก็คือยอมรับตามที่คำพีว่าไว้คือถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มแต่เป็นกาลละารูปตั้งแต่ปฐมจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณเมื่อใครไปทำให้ชีวิตนี้สิ้นสุดก็ถือว่าฆ่ามนุษย์ ทีนี้เมื่อตกลงในหลักความจริงอย่างนี้แล้วต่อไปในการวางบัญญัติเราจะเอาอย่างไรเราจะบัญญัติในกติกาของเราเอาแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจกันในขั้นของการบัญญัติกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกติกาสังคมซึ่งต้องทําเพื่อเกื้อหนุนจริยธรรมหมายความว่าการวางกฎเกณฑ์หรือกติกาสังคมของเรานั้นเป็นบัญญัติธรรม ธรรมในที่นี้คือคําว่าธรรมะนะครับและบัญญัติธรรมนั้นควรจะเป็นหรือจะต้องเป็นเครื่องสนับสนุนจริยธรรมเพื่อช่วยให้จริยธรรมดารงอยู่ในสังคมให้คนอยู่กันด้วยความดีงามมีความสงบสุขที่นี้หันมาดูหลักจริยธรรมหลักจริยธรรมบอกว่ามนุษย์ไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ควรทําลายชีวิตกันเพราะเป็นหลักความจริง หรือศสัจธรรมว่าชีวิตแต่ละชีวิตรักตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์กลัวภยัยกลัวความตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพูดให้เข้าใจกับภาษาปัจจุบันก็ถือว่ามนุษย์แต่ละคนแม้แต่ที่เป็นสัตว์แรกเกิดก็มีสิทธิ์ในชีวิตของตนเองก็เลยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งซ้อนเข้ามาว่าจะเอาอย่างไรคนเดียวนี้พบกับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นในเรื่องสิทธิของแม่กับสิทธิของลูกก่อนจะพูดต่อไปขอสรุปหลักการใหญ่ที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก่อนว่าตอนนี้เราได้พูดถึงบัญญัติธรรมคือกฎเกณฑ์หรือกติกาของสังคมหรือวินยัยจริยธรรมหลักการดําเนินชีวิตหรือเป็นอยู่ที่ดีงามเกื้อหนุนต่อสันติสุขที่แท้ของชีวิตและสังคมและสัจธรรม ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติบัญญัติธรรมที่ดีจะต้องเป็นเครื่องเกื้อหนุนคำจุนจริยธรรมและจริยธรรมที่แท้ก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของสัจธรรมโดยในยานนี้บัญญัติธรรมที่เกื้อหนุนจริยธรรมก็ต้องสอดคล้องกับสัจธรรมด้วย